พุทธการนั้นสอนให้คนรู้จักทุกถึงที่สุดของทุกแล้วก็ทําลายทุกขออกจากทุกได้ท่านสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนเหมือนอย่างผู้สอนทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องสอนกันให้เอาบุญบุญก็เลยไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้ไม่ว่าใครใครที่ไหนทั้งหมดเลยที่พูดนี้ตัวของฉันเองก็ไม่เคยรู้อย่างนี้ แต่วิธีทำบุญนั้นทำเป็นพระองค์ท่านว่าสติคมละลึกได้แต่ก่อนไม่เคยละลึกเลยเกิดมาจนได้มีอายุสามสิบกว่าปีไม่เคยละลึกได้เลยอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วมีคนอื่นพูดให้ปลว่าเกิดในป่าตายในป่าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในป่าว่าอย่างนั้นคนก็เลยหัวฝังเข้าไปทิ่นั้นอีกแล้ว ไม่เข้าใจว่าตาคืออะไรตาคือความทุกข์นั่นแหละที่สับสนวุ่นวายความคิดที่มันสับสนวุ่นวายกายวาจาใจหยุดไม่ได้ไปตามอารมณ์มันก็ไหลไปตามน้ำาบดนี้พระองค์ก็เลยคิดเอะความคิดที่มันสับสนวุ่นวายขึ้นมานี่มาจากที่ไหนพระองค์ก็เลยมองลงไปถึงตัวชีวิต ตัวจิตตัวใจจริงๆอ๋อมันเกิดขึ้นมาที่ตรงนี้ถ้าองค์ก็มาทําเอานี่สมมุติให้ฟังแต่พระองค์จะทําอย่างนี้หรือไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ฟังตัวของฉันทําเองไม่ต้องไปอาสัยว่าใครที่ไหนมาช่วยไม่ต้องพร้อมอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงปัญญาปารมีอะไรทั้งหมดเลยแกก็เลยพูดเอาเองอันเนี้ยตาละแปลพร้อมแล้ว ตาละคือพร้อมด้วยสติปัญญามีแล้วสิ่งที่มีแล้วเราต้องรู้ว่าอย่างไรคือเรามาคอยดูความคิดแต่ตัวชีวิตไม่ต้องพูดถึงดูความคิดเฉลยทําเหมือนแมวคอยจ้องที่จะจับหนูนี่เองพอดีหนูออกมาแมวมันจะคุกอย่างแรงนะเองพอดีมันคิดปุด๊บเห็นปั๊บทันที ความที่ก็เลยหยุดได้นี่นี่จริงๆอ๋อที่ตรงนี้เองมันทำให้เราทุกข์มันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศิล ม, มันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำบุญอันนั้นมันดีแล้วแต่เรามาพิจารณาถึงสมุทฐานควมทุกข์ข่มทุกข์มันเกิดมาจากที่นี่เนียพระองค์หรือใครก็ตามและไม่รู้อันนี้วะพระองค์คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ ได้ตัดสรู้เพราะการทำทางจิตว่าอย่างนั้นเราก็ลองมาทำดูเหมือนคำพูดของท่านลองลองดูสิแต่บางคนไม่รู้ก็ต้องสอนวิธีให้นี่แหละบัด น, นี้เมื่อพระองค์รู้อย่างนี้ก็เลยรู้ถึงที่สุดของทุกที่สุดของทุกมาจากที่ไหนถ้าองค์ก่เรงด่ลเอสสติคนระลึกได้ท่านก่อระลึกถึงไปในขณะเมื่ออยู่ท้องมารดา ผู้หญิงอาจจะรู้ดีแม่ตั้งท้องขึ้นมาเก้าเดือนสิบเดือนบางคนสิบเอ็ดเดือนจึงคอรดออกมาถ้าองค์ก็มองเข้าไปโอ้ในขณะที่เราอยู่ท้องแม่น่ะมันทุกอย่างสาหัสไปไหนมาไหนไม่ได้พิกคีตีงโตแม่ท้องตีนขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองมีท้องตีนขึ้นมาอในท้องหาทางออกไม่ได้ หาวิธีออกไม่ได้จนถึงครบกำหนดคอร์สออกมามันก็เป็นไปตามธรมรมชาติของมันเท่านั้นนี่พระองค์นี่ว่าระลึกได้จริงๆเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานอันว่าอย่างนั้นแต่ว่าสมัยนี้พวกที่หัวถลําเข้าไปในตำนากา็จิ้วศาสตรได้มันผิด ก, กันกับผู้มีปัญญาจริงๆ ปัญญาของปุถุชนมันหนาจริงๆพูดให้ฟังง่ายๆไม่เอาเขาเรียกว่าคนอะไรอะไรเขาเรียกว่าคนคาว่าคนนี่แปลว่ากวนพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดไปพูดมากขาทะเลาะกันเขาเรียกคนบ้าเขาเรียกว่าตาบอดคํำซางว่าันคนตาบอดคำซางเนี่ยไม่รู้ตัวซางจริงๆเมื่อมีคนตาดีไปสอนคนตาบอดก็ไม่เอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ศึกษาหลักพุทธศาสนาทุกวันนี้คล้ายคล้ายกันกับตาบอดคําสางิงิงเรื่อง น, นี้บัดนี้เมื่อคลอดออกมาแล้วก็บ้านของฉันเนี่ยว่ะนอนแพ้สองสลึงวะยังสองสลึงมันไม่เป็นบาทเพียงห้าสิบตางพิกเคียงตีนโต ก, ก็ไม่ได้ห้องเอาแวะอาแวะอยู่ที่นั่นแหละมันห้องเพื่ออะไรมันตกใจมันสลดใจ มันตกใจมันสลดใจมันกลัวอะไรก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ที่มืดมานานแล้วออกมาก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้เลยแทเป็นอย่างนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเนี่ยก็จนเข้าแก่ตายไปไม่เคยดูจิตใจตัวเองไม่เคยดูจริงๆเกิดออกจากค้องแม่มาแล้วมีชีวิตชีวิตอันนั้นเป็นคนละคนกันแล้วคราวนี้ เมื่ออยู่ในท้องแม่นั่นเป็นชีวิตที่อาศัยแม่อยู่เลี้ยงกันมาแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วเป็นชีวิตคนละอันกันฮะชีวิตของเราก็มีโดยเฉพาะชีวิตของแม่ก็มีในเราโดยเฉพาะต้องอาศัยตัวเองเพระองค์ท่านคิดอย่างนี้เมื่อท่านคิดแล้ทุกคนได้ทุกคนรู้ได้ทุกคนมีปัญญารู้ได้ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนกัน แต่พุทตศาสนาดิไม่ปรากฏเอากวมจริงมาพูดให้กันสักพูดก็ต้องแบบไม่ผูกหรือเข้ารีบว่าอย่างกระไดเดี๋ยวนี้ญาติโยมและเพื่อนทิกษุตมาเนรท้ายท้าคือเราไปกินข้าวรีบข้าวไม่มีไหนเอาข้าวไม่มีไนไปลเพาะไปปลูกนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะงอกมาได้จริงจริงกินข้าวให้มีไนจริงจริงเราต้องเป็นคนคนหนึ่ง ไม่ต้องอาศัยแทงขาให้เดินเราต้องเดินด้วยตัวเราเองอย่างที่พูดให้ฟังแล้วเกิดคอดออกจากท้องแม่เรามาแล้วต้องเดินด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วรู้จริงๆแล้วต้องอาศัยความรู้ความสามารถของตัวเองถ้าหากว่าตัวเองจริงอย่างนั้นคนอื่นก็ต้องจริงเหมือนกัน ดังนั้นพุทธศาสนาสอนขนทุกคนไม่ยกเว้นไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆตัวของฉันจึงกล้ารับรองว่าจะถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสืออะไรก็ตามผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามรู้ได้เช่นเดียวกันดับทุกได้เช่นเดียวกันดับทุกที่ตรงไหนเพราะความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงมันไม่มี ไม่มีจริงๆมันมีมาจากที่ไหนเพราะเราไปเชื่อบุคคลสอนว่าทำบุญให้ฐานรักษาศีลเพื่อละความโกรธความโลภความหลงอันนั้นคนไม่รู้สอนอย่างนั้นมันก็ต้องไม่รู้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสติความระลึกได้สัมปาชญะความรู้ตัวถ้าเมื่อรู้ตัวอยู่แล้วความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้ว ในขณะที่เราลืมตัวนั่นแหละขมโกรธขมโลภขมหลงมันตกหน้าเอาเลยถ้าหากบวชมานานๆมีคุณค่าไม่อย่างนั้นไม่มีเลยลับลองได้คนเกิดมานานๆอาอยุตั้งร้อยวันพันปีถ้ามีขมโกรธขมโลภขมหลงมีประโยชน์ไหมชีวิตบุคคลผู้นั้นไม่มีเลยอันนี้แสดงว่ามันไปตรงเอากับที่ พระพุทธเจ้าท่านว่าโมฆะบุรุษโมฆะสติชีวิตเป็นโมฆะเนี่ยท่านว่าคำว่าโมฆะเนี่ยน่ากลัวจริงๆริงน่ากลัวจริงๆถ้าคนมีปัญญาและประวัติใจไม่ได้ชีวิตไม่มีราคาเลยบวชมานานคุณค่าการบวชก็ไม่มีคนเกิดมานานนานคุณค่าของชีวิต ท, ที่เกิดมานานนาน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรื่องนี้ดังนั้นเราควรศึกษาจริงๆเมื่อเราไม่ศึกษาจริงๆมันจะไม่รู้เรื่องนี้ศึกษาที่ตรงไหนเคยบอกไว้แล้วว่าต้องเจริญสติเจริญสติทำยังไงทำความรู้สึกตัวอย่าปล่อยตัวปล่อยใจ <c oughs> มีคำคำหนึ่งที่เขาสอนเอาไว้เป็นคำบทปรพันธ์เขาว่า เครื่องวัดของความเป็นไทยเครื่องมัดของความเป็นมนุษย์เครื่องมัดของความเป็นสาวพุทธอยู่ที่ตรงไหนพะวัรือเกิดขึ้นมาแล้วศึกษาเล่าเรียนต่อสี่ได้ปริยาโทรหรือปริยาเอสหรือบวชมาแล้วศึกษาหลักสูตรนักธรรมทันตีโทเอสได้มหาปริญญาอันนั้นเป็นเครื่องมัดของคมเป็นไทยได้ไหม อันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นมนุษย์ได้ไหมอันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นสาวพุธได้ไหมไม่ได้เนี่ยอันว่าอย่างนั้นทําไมจึงไม่ได้ผมเรียนรู้มาเนีมันไม่ได้เมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วก็นึกได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระวักกะเลกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเรล่าตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั่นซึ่งว่าไม่เห็นเราตถาคต พาตถาคตอยู่ที่ไหนพาตถาคตคือบุคคลผู้ที่เห็นความคิดจิตใจที่มันสับสนวุ่นวายหยุดได้ไม่เป็นคนเหลวไหลไม่เป็นคนงมงายอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดคือไม่ลืมตัวนั่นแหละเป็นเครื่องวัดของผมเป็นไทยเป็นเครื่องวัดของผมเป็นมนุษย์เป็นเครื่องวัดของผมเป็นสาวพุทธคือไม่ลืมตัวรู้สึกตัว ตื้นตัวอยู่เสมออันนั้นแหละผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้เป็นภาสงองเ่งก็เป็นได้ถือศาสนาไหนนุ่งผ้าเสีอะไรก็เป็นได้เรื่องนี้ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงสนใจนเรื่องนี้ให้มากถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้ให้มากแล้วเราจะไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีโอกาสความเป็นไทยความเป็นสาวพุทธ ความเป็นมนุษย์ได้จริงๆแต่เราจะเห็นว่ามีลูปรางเหมือนกันว่าเป็นมนุษย์อันนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นเพียงคนคนนั้นจะมีการสับสนวุ่นวายเหมือนกับน้ํากับตมกับเลนกวนเข้ากันและมันกวนกันเข้ากันพูดกันไปกันมาไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าคนบ้าให้บ้าพูดแล้วไม่รู้เรื่องเขาว่าไอ้บ้าเหมือนกันกับทุกวันนี้ เราศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่รู้เราก็เห็นพระพุทธรูปมากมากเห็นวัดมีกุฏิมากมาศาสนาเจริญอะอย่างนี้มันเจริญวัตถุจิตใจคนมันต่ำทำให้เศรษฐกิจศูนย์หายไปและทุกข์ก็ตามมาเป็นสนวนตามมาจริงๆแต่ทุกคนรู้เรื่องสมมติแล้วอันนั้นก็ดีแต่เรารู้ไหม พระพุทธลูบเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปีพศเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ใครทำมาลูไหมไม่รู้ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่มีไหมไม่มีเนี่ยคนมีปัญญาเขารู้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่เป็นคนไทยสร้างขึ้นม า, าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดในเมืองไทยเกิดในประเทศอินเดียนโน้เราเห็นว่าผู้ใดคิดอย่างนั้น แล้วก็ดีไว้พระพุทธลูกเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยปีมาเรื่อมใสพุทธศาสนาคนเหล่านั้นเขาเลื่อมใสลูกเทวดาเขาอาศัยเทวดาลูกปั้นเทวดาเขาทําลูกตั้นเทวดาไว้เขาไว้กราบไหว้เป็นที่ระลึกเมื่อเขามาเลื่อมใสพุทธศาสนาเขาก็อยากทําลูกพระพุทธเจ้านีมา่มาเป็นที่ระลึกเท่า น, นั้นเองมันเป็นสมมุติเดี๋ยวนี้ก็ติดสมมุติกันใหญ่แล้ว ปุกเศษผ้าเครื่องรางของขังกันนี่มันไม่รู้อันมันไม่รู้เพราะเรื่องอะไรมันไปรู้หัวฝังเข้ากับตำลามันไม่ได้ใช้สติปัญญามันอ่านหนังสือน้อยเกินไปอันว่าอย่างนั้นดังนั้นการเจริญสตินี่จึงมีค้ามีคุณมากไม่คิดว่าไม่มีใครที่ไหนสามารถตีราคาเป็นเงินเท่านั้นเป็นทองคําเท่านั้นไม่มีใครเลยดัยงนั้นสติ กับความระลึกได้ดีจึงมีห้ามากทําให้บุคคลผู้เจริญสติระลึกได้ผู้มีความรู้ตัวเป็นพระอาญยบุคคลใดจริงๆหากพระสงฆ์ทำก็เรียกเป็นพระเนียสง์ถ้าโยมทำก็เรียกเป็นพระเรียบุคคลขั้นต้นเรียกพระโสดาบันบุคคลว่าอย่างนั้นทำพระโสดาบันอยู่ที่ไหนมีเครื่องมัดอะไรเหมือนกับครูผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันไหม เ่าไม่มีเลยแล้วบัดนี้ไงสมัยเขาพูดว่าต้องศิงเป็นเครื่องวัดศิลอยู่ที่ตรงไหนศิงเขาบอกว่าเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบกิเลสอย่างยาบอยู่ที่ไหนคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะรู้อะไรที่ไหนไม่รู้เขาเรียกว่าตาบอดคันซางอะไรนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นสิงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบต้องรู้สมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางต้องรู้ ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดต้องรู้รู้ได้เพราะสติคมลึกได้สัมปาชนะผอมรู้ตัวนี้เองเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้แหละมันสามารถที่จะนำตัวของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริงดังนั้นที่ฉันได้นำธรรมะที่มันปรากฏจากจิตสำนึกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ ก็เห็นว่าสมควรเกิดเวลาแล้วเพราะว่าพวกเราเดินทางมา ไ, ไกลๆกันถ้าไม่พูดมันก็ยังไม่คุ้มค่าสะตอมสตางหากเสียเงินมา ก, ากมาปฏิบัติธรรมะต้องเอาเข้ามีในมาพูดให้กันฟังไม่ต้องเอาเขารีบมาพูดให้กันฟังเป็นอย่างนั้นเราทุกๆคนจงพยายามศึกษาจเจริญสติผม น, นลึกได้สมปะัญญาคมรู้ตัวเป็นคาพูด แต่เมื่อรวมจริงแล้วนั้นให้มีสติหรือว่ากาหนดรู้การเคลื่อนไหวทางรูปกายภายนอกที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือและให้มีสติคอยกาหนดทวมคิดเป็นตัวสำคัญมันคิดขึ้นมาต้องรู้ต้องเห็นอันนั้นเรียกว่าสันติติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอากกาลิโก ไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคในสมัยใดก็มีคมคิดถ้ามีจิตมีใจทุกคนต้องมีนึกมีคิดดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สงบนั้นเรียกว่าพุทธศาสนาหรือว่านิพพานก็ได้ นิพพานนั้นจึงมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นแล้วแต่บุคคล น, นั่นแหละจะทําให้นิพพานปรากฏขึ้นหรือไม่ทําเท่านั้นเองถ้าหากคนทุกคนทําให้นิพพานปรากฏขึ้นมาในตัวของบุคคลจํานวนนั้นมากๆก็เรียกว่าพุทธศาสนาเจริญถ้าหากคนทุกคนไม่คิดไม่ทําให้จิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบนั้น ปรากฏขึ้นมาได้เขาเรียกว่าพุทธศาสนาอย่างไม่จเจริญขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตามุ่งเข้าไปตรงนี้ให้ได้